บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะาแห่งคำกราบทูลของท่านโปสาลมานุต้องการจะทราบถึงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติระดับสูงคือรูปไปชาน ที่เริ่มต้นด้วยการกำหนดจะลึกดูที่อากาศแล้วบริกรรมว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้จดเกิดความหน่ายในอากาศใจก็จะประมองที่วิญญาณบริกรรมว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ที่ใช้คาบาลีว่าอนันตังวิญญาณัง แต่ในที่สุดก็จะมองเห็นว่าแม่วิญญาณเองที่เข้าใจติดใจกันว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนยืนโรงไม่มีความเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อถือของคนในยุคนั้นเอาก็จริงแล้วก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้เหมือนกันจากนั้นความสงบก็จะเพิ่มขึ้น แม้ปัญญาเองก็จะเพิ่มขึ้นผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าในโลกนี้จะมีอะไรอยู่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ใจก็ไม่สามารถกำหนดชัดลงไปได้ว่าอะไรมีหรือไม่มีแต่การที่มองว่าในโลกนี้มีอะไรอยู่เพียงเล็กน้อยนั่นเองก็ก่อให้เกิดการปล่อยวาง การขวอยพ้าโดวยวิธีการต่างๆซึ่งเกิดด้วยแรงผลักดันของกิเลสภายในใจของบุคคลและต่อจากนั้นเมื่อความสงบเพิ่มขึ้นพิจนารณาลึกมากยิ่งขึ้นท่านก็จะเห็นว่าจะว่ามีมันก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงจะมีความรู้สึกว่า มันเหมือนกับน้ำล้างผาชนะที่เราล้างไปแล้วจะว่าถือว่ามีน้ำก็ได้เพราะผาชนะยังเปียกอยู่แต่ถ้าจะถือว่าไม่มีน้ำก็ได้เพราะว่าใช้ดื่มเป็นต้นไม่ได้จิตใจของท่านก็จะสงบอยู่ในขั้นนี้ดังนั้นท่านโปศรละมานพจึงมากราบกราบคูณถามเรื่องรูปสัญญา คือการพิจารณาสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้แก่พวกอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเฉพาะในที่นี้เน้นในส่วนของอารมณ์กรมกรมฐานทั้งหลายแต่หมายความว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ติดอาจจะติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะปรารบรูปเป็นเหตุทางกาสอน่าต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรพ <c oughs> ระพเจ้าก็ทรงแสดง ถึงขั้นตอนต่างๆเอาไว้โดยมาตั้งต้นที่ว่าเรารู้แจ้งซึ่งวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งแห่งปฏิสนธิวิญญาณที่จาแนกแตกต่างกันออกไปใช้คำบาลีว่ากรรมมาภิสังขารคือเกิดขึ้นจากกรรมมาภิสังขารที่ปรุงแต่ง ให้มีที่ตั้งของวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปก่อนอื่นผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องพิจารณาเห็นถึงกรณีของการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะพยายามดึงคนขึ้นให้สูงโดยดำมดับปัญหาว่าคนนั้นสภาพจิตในขณะนั้นอยู่ในระดับใด ก็ดึงให้สูงขึ้นจากนั้นแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ข้างล่างไปอยู่พื้นฐานธรรมดาสามัญพระพุทธเจ้าก็อาจจะเริ่มจากทานจากศีลมาโดยลำดับแต่ตอนนี้ท่านเลยทานศีลมาแล้วใจในใจมาติดอยู่ที่รู ป, ปรสัญญาคือมีความกําหนัดเพลิดเพลิน อยู่ในผลที่ตนได้รับจากการปฏิบัติทำจิตให้สงบที่เราเรียกว่าหลงชานบ้างติดสมาธิบ้างหรือติดอยู่ในนิมิตบ้างติดอยู่ในปีติบ้างก็แล้วแต่พวกนี้ที่จริงถ้าไปเทียบ ก, กับข้างล่างมันก็สูงกว่าแต่เทียบ ก, กับข้างบนมันก็ต่ํากว่าเกิดสภาพจิตที่สูงขึ้นเมื่อมาเทียบ ก, กับพวกนี้พวกนี้ก็ต่ํากว่า แต่นั้นยังทรงแสดงธรรมะเพื่อให้ถ่ายถอนถ่ายถอนความกำหนัดโดมนาจความเพลิดเพลินในรู ป, ปรสัญญาคือการกำหนดหมายรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่ตามจิตใจของบุคคลให้ยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นซึ่งข้อนี้ที่จริงก็ทํานองเดียวกับการแสดงอนุภูพิเกถาจะขึ้นไปชั้นบน ต้องการจะแสดงกามาทีนก็คือโทษของกามเพราะสิ่งนี้ที่จริงก็คือกามาคุณระดับหนึ่งโดนประณีตเท่านั้นเองทีนี้ทํำยังไงจึงจะแสดงให้เกิดความเข้าใจได้ก็มาตั้งต้นที่ทรงแสดงว่าพระองค์ทรงทราบซึ่งวิญญาณทิฏฐิคือ ท, ท, ที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายความว่าการบังเกิดของคนในภพชาติต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญที่ส่งใช้ในที่นี้ว่ากรรมมาปิสังขารเป็นภาษาที่พูดกับนักปรัชญ์กรรมมาภิสังขารอภิสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งคือกับก็จำแนกออกไปเป็นสามประเภทใหญ่เรียกว่าอปุญญาภิสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งคือาบาป สร้างภพสร้างชาติของบุคคลในลักษณะหนึ่งออกมาเป็นรูปของนิรยะนรกดิราชานโยนิกกำหนดสัตดิราชานปิติวิสยภูมิแห่งเปรตอสุรกายก็เป็นอสุรกายประการที่สองเรียกว่าปุญญาภิสังขารภิสังขารคือบุญปรุงแตงให้รู ป, ปรธรรมนามรธรรมของบุคตลอดถึงภพชาติของบุคคลมีความประดิษฐยิ่งขึ้น ตามกำลังของบุญทึ่ในแง่ของวิญญาณทิติคือที่เกิดที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณนั้น ถ, ถึงเข้าใจว่าเป็นการพูดด้วยภาษาที่เข้าใจกันง่ายเมื่ความคนตายแล้ววิญญาณจะไปประดิษฐ์ไปถือปฏิสนธิในกำเนิดนั้นๆด้วยแรงของบุญบุญก็มีความรดนแรงที่แตกต่างขึ้นการขึ้นไปเรื่อย ทำให้พบชาติของคนแตกต่างกันจากมนุษย์ไปจนถึงสวรรค์แต่ในกรณีนี้ผู้ถามปัญหานั้นเข้าถึงอรูปฌานไปแล้วจึงแสดงประเภทของเรียกว่าอาเนชาพิสังขารอภิสังขารคือปรุงจิตจนไม่หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของอารมณ์ที่มากระแทกจากภายนอก เป็นผลจากสมาธินั่นเดงแต่มันมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นจนเป็นรูปประชานเป็นรูปประชานปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกต่างๆที่ก่อให้เกิดความรับก็ดีความชังก็ดีถ้าไม่แรงจริงๆมีข้อแม้ว่าต้องไม่แรงจิตใจของท่านก็จะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าแรงมาก็หวั่นไหวได้เปลี่ยนแปลงได้ชานเสื่อมได้ทีนี้ทำไมท่านเหล่านั้นจึงไม่ค่อยหวั่นไหว พระท่านทำของท่านอย่างต่อเนื่องท่านอยู่ในหมู่ของท่านประพึตปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาไม่มีอารมณ์กระแทกแรงๆจากข้างนอกอารมณ์ที่ก่อให้เกิดรักก็ไม่แรงก่อให้เกิดชั่งก็ไม่แรงก่อให้เกิดหลงก็ไม่แรงท่านก็ติดอยู่ในความสงบจนมีความรู้สึ ก, กว่าเนี่คือนิพพานแล้วจึงมีการพูดถึงนิพพานไว้ในชั้นต่างๆเป็นนันมากในสมัยก่อน ถ้าหมายความมาบางทีก็เห็นว่ามันสุขกว่าเดิมั้งก็ถือว่านิพพานแล้วก็จบสิ้นหนนทางแล้วแต่ น, นั้นพระพุทธเจ้าต้องการส่งแสดงให้เห็นว่าโพนีบมันเกิดขึ้นจากกรรมเมื่อยังมีกรรมอยู่เนี่เป็นนิพพานไม่ได้เพราะนิพพานจะต้องละได้ทั้งกิเลส ท, ทั้งกรรมกรรมนั้นมันเกิดมาจากกิเลสเมื่อหมดกิเลสกรรมก็หมดไป ท่นจึงเรียกพระอรหันต์ว่าปุญยะปาปะพินโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปบางทีก็พูดถึงละกรรมบางทีก็พูดถึงละกิเลสซึ่งแสดงเห็นว่าพวกนี้จะพูดถึงตรงไหนก็ได้มันก็เหมือนกันพูดถึงการละกิเลสพูดถึงการละกิเลสหมายถึงว่าพูดถึงละเหตุพูดถึงละกรรมหมายถึงละผลแต่การที่ผลไม่มีแสดงว่าเหตุไม่มี หรือการที่เหตุไม่มีก็แสดงว่าผลไม่มีปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าคนฟังในขณะนั้นนั้นจะเข้าใจด้วยภาษาขนาดไหนก็พูดไปเท่านั้นในที่นี้ท่านก็ผ่านการประพฤติธปฏิบัติมาชั้นสูงแล้วจึงทรงสแสดงประเภทของวิญญาณเรียกวิญญาณทิติคือคนที่ไปเกิดในครบชาติต่างๆสรุปว่าในโลกบางคนก็ไป ปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆซึงมีกายเองก็แตกต่างกันมีวิญญาณไอ้สัญญาเองก็แตกต่างกันบางประเภทนั้นกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันบางประเภทสัญญาอย่างเดียวกันแต่กายต่างกันบางประเภทกายก็อย่างเดียวกันสัญญาก็อย่างเดียวกันปุณนีจะเกิดด้วยการปฏิบัติระดับอรูประดับรูปปานขึ้นไป ประสาทบางจำพวกก็เกิดด้วยกำลังของอรูปฌานคือในที่นี้ก็ทรงแสดงเพียงไว้เพียงสามข้อหมายความว่าท่านเจริญอรูปฌานข้อใดแล้วเมื่อตายไปจิตใจของท่านก็จะถือปฏิสนธิด้วยอำนาจสัญญาคือการกำหนดหมายการจกนึกการเก็บการสะสมไว้ภายในใจมากแล้วท่านก็บังเกิดในกำหนดตอนนั้น นี่ก็เป็นการแสดงสำหรับท่านโปสาละเพื่อให้ท่านเห็นว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นวัฏตะคือยังหมุนวนอยู่ในวัฏตะเพื่อเน้นให้เห็นกามอาทีนหรือโทษของการมเพราะยังมีพบพบก็ต้องมีชาติไม่ชาติก็ต้องมีชารามีมีความแก่มีความเจ็บมีความตายหมุนวนอยู่ในทังสาระวัตรตอนนี้จึงต้องการเน้นในเชิงที่เรียกว่ากามาทีน คือโทษของกามแม้จะเป็นทิพย์ก็ตามก็ถือว่าเป็นการมเดียวข้อที่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติและพินิษพิจารณาก็คือจิตใจของบุคคลจะไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอะไรก็อยู่ที่ตัวสัญญาและจะเรื่อยไปจนถึงการเกิดในภพชาติต่างๆอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ในชั้นของการเกิดโดยสรุปว่า เมื่อจิตผ่องแพรวก็บังเกิดในสุกติจิตเศร้าหมองก็บังเกิดในตุกติจิตผ่องแพร่ก็คือสัญญาความทรงจําการกําหนดหมายเป็นกุศลปรากฏขึ้นในขณะนั้นทาให้จิตเป็นผ่องแพรแต่จิตเศร้าหมองก็แสดงว่าการทรงจําการกําหนดหมายความตรึกนึกจึงปรากฏขึ้นในขณะนั้นเป็นอกุศลทําให้จิตมันเกิดความเศร้าหมองและเป็นตัวการกําหนดควบชาติของบุคคล บีบช่วงระยะเวลาการปฏิบัติให้สั้นเข้าในช่วงปัจจุบันบุคคลก็จะเห็นได้ว่าความโน้มเอียงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจความนิยมชมชอบสิ่งต่างๆของบุคคลนั้นจะแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างถ้าจะถามว่าทำไมจึงแตกต่างกันเพราะเราเก็บเราสะสมเอาไว้ไม่เหมือนกัน เช่นสมมติว่าคนต่างถิ่นมารับประทานอาหารในโต๊ะเดียวกันแต่อาหารนั้นจะมีอาหารในถิ่นที่แตกต่างกันคือทั้งคือมีทุกภาคทุกถิ่นคนแต่และคนนั้นจะชอบอาหารไม่เหมือนกันถ้าจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเก็บสะสมมาไว้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะชอบอย่างหนึ่งคนหนึ่งอาจจะชอบอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะของสัญญาที่แตกต่างกัน ที่นี้จากการกำหนดหมายความชื่นชมความพอใจที่แตกต่างกันนั่นเองแม้ในชาติปัจจุบันแมแต่การไปในสถานที่ต่างๆบุคคลก็จะมีความนิยมชมชอบไม่เหมือนกันหรือจะไปไม่เหมือนกันในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่การกำหนดหมายในรูปของขันท่าที่เรียกว่ารูปสัญญาคือการกำหนดหมายรูป เช่นกำหนดว่าสวยหรือไม่สวยเราก็กําหนดไม่เหมือนกันเพราะนความนิยมรูปสวยผลก็นิยมไม่เห ม, มือนกันการกำหนดเวทนาว่าอย่างนี้สุขอย่างนี้สุขอย่างโน้นสุขสุขเหมือนกันมไม้ก็ตอบว่าไม่เหมือนกันดูง่ายๆจากอาหารอร่อยที่จริงมันก็เป็นเวทนาตัวช่วงอร่อยนั้นก็คือเวทนาเรารู้สึกสวยอารมแต่ถามว่าเรากําหนดว่าอร่อยเหมือนกันไม้บอกว่าไม่เหมือนกัน ในด้านความทรงจําต่างๆหรือสิ่งที่มาปรุงแต่งต่างๆเรียกว่ารูปปัญญาหรือการกําหนดหมายรูปกําหนดหมายเสียงกําหนดหมายกลิ่นอะไรเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วสิ่งที่นํามาปรุงแต่งบางอย่างก็แตกต่างกันแต่บางอย่างเหมือนกันที่เราเรียกว่ารสนิยมเหมือนกันซึ่งหมายความว่าก็มีความฝังใจมาด้วยกันปากใจในเรื่องนั้นมาด้วยกันอาจจะชอบปลาราเหมือนกัน อาจจะชอบน้ําพริกเหมือนกันก็แสดงว่ามันคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านั้นที่เรียกว่าเสพคุ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นมาจนปักใจฝังใจกับเรื่องนั้นๆที่ตั้งของวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมื่ขึ้นอยู่กับการฝังใจอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระโสดาบันนั้นที่จริงท่านเลือกพบจะอุบัติได้ แต่พระเจ้าพิมพิสารพอที่วงคตแล้วท่านไปเลือกเกิดเป็นยักษ์เพราะท่านชอบขันทันท่านเคยเกิดเป็นยักษ์บริวารทเวศสุวรรณติดต่อกันมาเจ็ดชาติมันฝังอยู่ในจิตสันดานก็รู้สึกสนุกดีถ้าก็เลือกเกิดได้ลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องของคนที่มีกรรมมากมันก็เหมือนกับคนมีเงินมากก็จะเลือกพักโรงแรมชั้นหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้หองว่างจะพักสาราวัดก็ได้เขาก็ไม่ว่าอะไร แต่จะย้ายไปอยู่โรงแรมชั้นหนึ่งก็ได้คือสามารถที่จะเลือกได้เพราะอะไรเพราะเขามีเงินมากพอคนมีบุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณนั้นเป็นการแสดงในแง่ของความมีพบมีชาติจะแสดงถึงวัฏฏะทุกข์แต่หมายความว่าคนระดับศีลธรรมจันจา ที่ยังปฏิบัติเดินไปยังขนาดรูปไปฌานอรูปไปฌานก็ตามจริงๆแล้วก็ถึงพระอนาคามีเพราะอะไรเพราะว่าพระอนาคามีเอง่านก็ต้องเกิดอีกในชั้นสุทธาวาสบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลนผิพพานไปที่สุทธาวาสทา่านก็ยังต้องมีภพมีชาตอิอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของวัตตะคือการไหลหวน ลักษณะของการไหลวนชั้นนี้เราคุมทิศทางการไหลวนกระทำยังไงจึงจะให้ทิศทางการไหลวนนั้นไม่มีความสับสนผ่านเกาะแก่งผ่านอันตรายจากสิ่งต่างๆได้บางครั้งอย่างที่ทรงสอนในแนวอุปมาบางทีก็อาจจะพูดถึงการไปในแม่น้ำบางทีพูดถึงการว่ายน้ำก็ยกตัวอย่างถึงการว่ายน้ำ ซึงเห็นว่าคนที่ตกไปในน้ำนั้นบางคนตกปั๊บก็จมหายไปเลยเป็นกําหนดหมายว่าอบายจมุกสิ่งนี้ดีแล้วก็มองมองมัวมองหมก ม, มุ่นอยู่ในอบายามุกยนตกต่าไปเรื่อยๆจนที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปบางคนอาจจะโผล่ขึ้นมาได้แต่ก็จมลงไปอีกหมายถึงว่าเป็นการปฏิบัติในขั้นที่ยังไม่ค่อยจะมั่นคง อาจจะรักษาศีลอาจจะฟังธรรมอาจาาอาจะปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งแต่พอเหตุปัจจัยภายนอกเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็หายไปเลยหลายเดือนพอเหตุภายนอกบีบคั้นมากข้าวมีความเร่าร้อนมากข้าวก็นึกถึงสัญญาเดิมว่าเคยสงบด้วยการฟังธรรมด้วยการรักษาศีลด้วยการให้ทานก็กลับมาอีกมีลักษณะไวไฟคือเหมือนกับสิ่งที่เป็นน้ํามันเบนซินอะไรเนี่ย คือไปใกล้ไอ้ความร้อนไม่ได้พวนี้จึงแหวงไปแกวงมาอยู่ได้ถึงจะแหวงหนักไปทางไหนมากทางไหนน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะมีขั้นละเอียดอีกมากคนบางคนทรงตัวอยู่ได้คือประคองตัวอยู่ได้เช่นว่านำรงมั่นคงอยู่ในระดับของกุศลกรรมบทสิประการอยู่ได้ไม่ตกไปจากกุศลกรรมบท แล้วก็แน่ใจได้ว่าเขาไม่จมน้ำตายแต่ก็ยังอยู่ในน้ำคนบางคนก็อาจจะขึ้นฝั่งได้แสดงว่าปลอดภัยจากอันตรายภายในน้ำนี่ก็ทรงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาสอนบางครั้งกลุ่มนี้เองทรงย่อยไปถึงเจ็ดกลุ่มด้วยกันตัวอย่าว่าความแตกต่างเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับกบบาลังความสามารถภายในใจของบุคคล น, นันประการหนึ่งที่เราเรียกว่าอินทรีย์ อีกประการหนึ่งก็คือการกำหนดหมายที่มีอยู่ภายในใจบางครั้งท่านใช้คำว่าฉันท่าอันมีอยู่ภายในใจฉันทาก็คือความชอบใจความพอใจที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นจึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงชีวิตปัจจุบันไม่ต้องมองไกลขนาดทังสารวัดก่อนก็ได้คือการหาความเข้าใจนั้นต้องหาความเข้าใจจากภาพเล็กเสียก่อนภาพใหญ่นั้นมองยาก การเรียนรู้ในแนวพุทธจึงมุ่งเรียนรู้จากจุดย่อยดังที่ทราบกันแล้ว่ า, า จ, จะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ตามเราจะเรียนจากจุดย่อยซะ ก, ก่อนเราเข้าใจจุดย่อยจุดใหญ่มันก็เหมือนกันเพียงแต่ที่ทรงแสดงในรูปของวิญญาณทิฏฐิก็คือการขยายช่วงให้ยาวขึ้นแต่นั้นเองแต่ว่าที่ตั้งของวิญญาณ น, นั้นให้ลองสังเกตว่า แมในแต่ละวันนั้นวิญญาณเราก็ไปตั้งอยู่แตกต่างกันคือความตรึกนึกของใจอาจจะลองดูในขณะใจก็ได้บางครั้งอาจจะเป็นเศรษฐีบางครั้งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวบางครั้งอาจจะอยู่บนเครื่องบินบางครั้งอาจจะอยู่ในรถบางครั้งไปต่างประเทศบางครั้งก็ไปวุ่นวายอยู่นั้นคือความตึกนึกของจิตที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆนั้นในแต่ละวันนั้นเราเป็นกันสารพัดเป็น ดูเหตุการณ์ต่างๆอา่านข่าวคราวต่างๆก็มีความรู้สึกอยากเป็นจากนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นนั้นแสดงว่าวิญญาณก็ไปตั้งอยู่เรื่อยๆด้วยอะไรมันปรุงคือเจตนาได้เกิกรรมมันปรุงทำให้จิตไปตั้งอยู่ตรงนั้นเกาะตรงนี้เกาะตรงน้นที่ท่านบอกว่าไม่มั่นคงเหมือนเอาของกลมๆไปวางไว้บนของที่ลื่นๆคือมันกริ่งเลยมาอยู่กับที่ จิตใจของบุคคลหรือในที่นี้ใช้คำว่าวิญญาณก็มีลักษณะเช่นนั้นทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าเพราะสัญญาคือการกําหนดหมายว่าเออสิ่งนี้น่าใคลายน่าปรารถนาน่าพอใจแต่บางครั้งก็ไม่จะกําหนดหมายอย่างนั้นก็ได้อาจจะกําหนดว่าไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็ได้ใจมันก็ไปตั้งอยู่เหมือนกันบางครั้งเพราะอาศัยฉันทะคือความพอใจที่มีอยู่ภายในใจของบุคคล มันเกิดเป็นเรื่องเดียวกันเพะคนเหล่านั้นก็มีสัญญาอย่างเดียวกันแม้จะมีกายต่างกันก็ตามบางครั้งคนเราชอบเรื่องประดับเหมือนกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนี่เราเห็นได้ชัดว่ากายก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันคือตั้งกายก็ที่ท่านใช้คาว่ามีกายเหมือนกันมีมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน ก็ดูภาพแคบๆช่วงๆสั้นๆในแต่ละวันพอตัวปรุงแต่งนั้นก็คือจิตเป็นตัวปรุงเกิดกําหนดหมายเรื่องแบบอย่างนี้สวยเรื่องประดับอย่างนี้สวยเสื้อผ้าอย่างนี้สวยก็แต่งเหมือนกันเแสดงว่าสัญญาเหมือนกันตามให้กายมาเกิดเหมือนกันแล้วก็สามารถมองผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในรูปวิญ ญ, ญาณทิฏฐิได้คือที่ตั้งของวิญญาณที่จะบังเกิดในพวกชาติต่อไปได้ ว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับขณะของช่วงความคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของตนนั่นเองตัวจิตจะเป็นตัวกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ชอบหรือว่าเป็นที่ชังต่นนั้นในเชิงของการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้ประณีตขึ้นสูงขึ้นบางครั้งก็สงเริ่มที่ความชื่นชมยินดีในธรรม ว่าจะเป็นปัจจัยที่จะน้อมนำบุคคลให้ดำเนินไปสู่ความสู่ความสงบเพิ่มขึ้นขอให้เริ่มต้นที่ความยินดีในธรรมเมืม่อยินดีในธรรมแล้วมันจะกลายเป็นธรรมสัญญาคือการกำหนดหมายธรรมะความปักใจสนใจในธรรมะสนใจในการที่จะฟังสนใจในการที่จะกำหนดพิจารณาข้อความ นามาใส่ซองนามาพินิจพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมแล้วก็น้อมนามธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติใจมันก็จะเดินวิญญาณมันจะตั้งอยู่ในธรรมได้นานๆดังต่อเนื่องในภพชาตินั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเขตุยาวนานผลเหล่านั้นจึงทําให้ท่านดํารงอยู่ได้อย่างถาวรคือถาวรในช่วงของท่านไม่ใช่ถาวรตลอดไปเป็นถาวรในช่วง ไอ้คำว่าถาวรในที่นี้ก็คล้ายๆกับว่าต้นไม้พืชยืนต้นกับพืชล้มลุกมันมีความถาวรที่แตกต่างกันแต่ว่าถาวรในขอบข่ายของเขาก็ก็มีอายุเท่ากับชนิดเท่ากับประเภทของเขาเพราะฉนั้นพวกวิญญาณทิฏฐินั้นคือที่ตั้งของวิญญาณต่างๆที่ทรงเริ่มมาจากนารกเร่ ม, มาแล้วก็จนถึงพรหมโลกซึ่งเกิดขึ้นด้วยผลของอรูปภิชานั้น ก็อที่ควรสังเกตประการหนึ่งว่าเรื่องของวิญญาณทิตินั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองไม่ใช่มีใครมาทําทําไมจึงทรงแสดงข้อนี้ได้รับสั่งแก่พระจุนทะและพระสารีบุตรข้อความทํานองเดียวกันโดยสรุปก็คือว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีเรื่องปัจจุบันก็ดีเรื่องอนาคตก็ดีตถานโคดจะมองถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเรื่องนั้นเพราะเรื่องใดที่จริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตไม่แสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตอนาะคตหรือปัจจุบันก็ตามเรื่องใดจริงแท้ด้วยประกอบด้วยประโยชน์ด้วยตถาคตจึงจะแสดงเรื่องเหล่านั้นเพราะการแสดงถึงผลที่บุคคลจะพึงได้ในภพชาติต่างๆ ด้วยการประกอบเหตุในชาติปัจจุบันตลอดถึงหลุดพ้นจากสงสารวัตรไปนั้นเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแท้เมื่อแสดงเหมาะสมแก่สถานะของผู้ฟังผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์จากการฟังจากการศึกษาจากการประพฤติปฏิบัติของตนเพราะอะไรเพราะใจของบุคคล น, นั้นจะมีลักษณะไขวว้าปรารถนาความสุข เราทรงแสดงความสุขที่มีลักษณะเป็นบันไดพบบันไดาชาติขึ้นไปเป็นชั้นๆเรื่อยๆโดยการจะได้ชั้นใดระดับใดก็อยู่ที่การปฏิบัติในปัจจุบันของบุคคลในชั้นนี้จึงพูดเรื่องพบชาติที่ยริษฐ์ยังไม่ได้ขึ้นถึงนิพพานเพราะว่าท่านผู้ปฏิบัติกําบังติดอยู่ในอยู่ในพบทิพยนิษฐ์ท่านเอง a l r จะมีความรู้สึกว่าสุดยอดแล้ว แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่บ้างว่ามันจะสุดยอดหรือไม่สุดยอดจึงนั้นดังนั้นจึงมากราบทูลถามพ ร, ร, ร, ระพุทธเาจ้าพระพุทธเจ้าจึงปรับพื้นฐานให้ดูในภาพกว้างว่าที่จริงแล้วมันเป็นภพแม้จะประณีตมันก็เป็นภพซึ่งพร้อมที่จะหมุนกลับเข้าไปเป็นชาติเมื่อมีชาติก็ต้องหมุนเข้าสู่สภาวะของความทุกข์และทุกข์ที่จรเข้ามา มีความแก่มีความตายมีความเจ็บไข้มีความโศกความรําไรลําพานความทุกข์ควา ม, วา ม, วามเสียใจความขับแค้นใจการพลัดพราด ก, การสูญเสียการต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่อยากจะเกี่ยวข้องการต้องพลัดพรากจากคนที่ไม่อยากจะพลัดพลาดเป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านมองเห็นอนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงเมื่อมองเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเอาขึจริงขนาดรูปปัจจาน ขนาดอารูปฌานแล้วก็ยังไม่เที่ยงเมื่อนั้นจะเกิดความหน่ายในทุก์ที่อาศัยความเกิดเป็นเหตุความเกิดเป็นข้าวมูลความเกิดตั้งให้สร้างให้บังเกิดขึ้นจากนั้นก็จะเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นหรืออย่างน้อยก็ได้พบชาติที่ประณีตขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเพื่อให้ความทุกข์น้อยลงความสุขเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะบันไดแห่งการประพฤติปฏิบัตินำจิตของตนให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาอีกชั้นหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป